พอเบื่อนั่งก็ลุกขึ้นเดินจงกรมฉันไม่อะไรชานวูบเดียวเท่าไรเพราะแม่นยำว่าสิ่งที่ต้องการคือความรู้สึกในอสุภะแห่งกายตนเพื่อความไม่ตรึกนึกทางกามสองนาทีแรกฉันเดินจงกรมแบบรู้เท้ากระทบเฉยๆเพื่อเรียกสติให้เข้าร่องเข้ารอยแต่พอจมูกเริ่มได้กลิ่นเหม็นหึงจากหนังศีรษะที่ไม่ได้สรสตามเวลาจิตก็เริ่มหมายรู้ในอสุภะ หรือที่เรียกว่าเกิดอสุภสัญญาขึ้นมาอีกในความรู้สึกถึงอิรยาบทเดินที่หัวกับเท้าเด่นพอกันฉันรู้สึกถึงความสกปรกของหนังศีรษะผ่านกลิ่นเหม็นกระทบจมูกก่อนแต่จิตเริ่มนิ่งเข้าที่ตั้งมั่นการรับรู้จากภายในก็แปลกไปตามธรรมชาติของจิตที่ปากแนวอยู่กับอารมณ์เดียวจิตยอมตัดการรับรู้ทางประสา ต, ตาออกไป เช่นบัดนี้เหลือแต่การรับรู้ที่กลุ่มผมบนหนังศีรษะก็เกิดนิมิตขึ้นคล้ายตาเห็นเศษผมที่กองบนพื้นในร้านตัดผมแต่เห็นครู่หนึ่งก็แวบกลับมารับรู้สิ่งแวดล้อมในห้องนอนตามเดิมต่อเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่กับกลุ่มผมบนหนังศีรษะอีกครั้งก็เกิดนิมิตกลุ่มผมขึ้นอีกทีอันเนื่องจากกลิ่นเหม็นยังติดจมูกเป็นอสุภาษสัญญา เมื่อปรากฏนิมิตกลุ่มผมตรงตามตำแหน่งที่ตั้งคือบนหนังศีรษะก็เกิดความเห็นกลุ่มผมเหม็นๆนั่นน่ารังเกียจยิ่งนิมิตชัดกลิ่นยิ่งชัดหรือเมื่อจมูกได้กลิ่นชัดนิมิตก็พลอยชัดตามคลายอยู่ๆก็เจอกองขยะเน่าๆบนพื้นสกรปรกอย่างไรอย่างนั้นธรรมดาคนเราไม่ชอบทนกับของโสโครกแต่นี่ของโสโครกอยู่บนกระบาลตนเอง เหมือนคนไม่รู้ตัวยกเอาแผ่สวะมาเทินหัวเดินไปเดินมาคราวเนี้ยจะให้ทำยังไงละ่ะฉันชักใจไม่ดีย้ายที่มั่นของสติเปลี่ยนมากำหนดรู้เท้ากระทบแทนแต่ก็ได้ตระหนักในบัตรนั้นว่าถ้าอสุภาสัญญาปรากฏชัดแล้วแม้แต่แวบเดียวจิตจะรู้สึกถึงความสกปรกในกายณตำแหน่งนั้นๆไม่จางไปง่ายๆอสุภาัญญา จะมีจังหวะย้อนหวนกลับมาเรื่อยๆเพราะจิตที่นิ่งตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมีธรรมชาติเห็นตามจริงเป็นธรรมดาก็ธรรมดาสิ่งใดเป็นของสุกกปรกจิตย่อมเห็นสิ่งนั้นแสดงความสุกปรกชัดไม่อาจบิดเบือนเป็นอื่นไปได้ฉันกําหนดรู้ความอึดอัดระอาอันเป็นทุกขเวทนาชนิดหนึ่งย้อนกลับไปทบทวนจุดมุ่งหมายเมื่อเริ่มต้นว่า ทำอะไรอย่างนี้อยู่ทำไมก็ตอบตอนเองได้ว่าเพื่อความดําริออกจากกามเมื่อได้คำตอบชัดเจนกับตนเองก็กัดฟันกําหนดรู้ต่อไปอีกเมื่อกําหนดต่อก็เกิดความเห็นสลับกันระหว่างเศษซากขยะบนหัวกับนิมิตกลุ่มผมดาๆเป็นเส้นๆที่ส่งกลิ่นเหม็นออกมาจากฐานที่ตั้งคือหนังศีรษะบางขณะจิตใหญ่ขึ้น จนรู้สึกและสำนึกต่างไปจากตัวตนเดิมๆคล้ายเป็นคนป่าดิบๆเถื่อนๆไร้ความสิวิไลกกำลังเดินท่อมๆ อ, อยู่ในสถานที่อันไม่คุ้นเคยห้องนอนเดิมสิ่งแวดล้อมเดิมๆนั่นแหละแต่ความรู้สึกผิดที่ผิดทางเลอกเกินจากความเป็นคนป่าดงดิบพอจิตวางเฉยไม่ยินดียินร้ายนานเข้าสานึกก็แปรไปอีก คล้ายคุเคยยิ่งกับการเดินจงกรมพิจารณาความเป็นอสุภะของกายคุณเคยยิ่งกับการเห็นโหนกนูนและปุ่มปมต่างๆที่ยึดเนื้อหนังไว้กับที่เหมือนมองผ่านกล้องสามมิติเห็นขุมคนและคราบคลบนแผ่นหนังเป็นการเห็นที่อธิบายยากไม่เหมือนสายตามองออกไปเห็นวัตถุภายนอกแต่เหมือนรับรู้ออกมาจากจุดศูนย์กลางอันเป็นที่ตั้งของจิตพร้อมกันโดยรอบ ไม่ถึงกับท่วนทั่วละเอียดทุกระเบียดนื้อเทาว่าก็คลุมคลุมคล้ายตระหนักว่ามีโครงกระดูกยัตนานก้อนเนื้อกำลังเคลื่อนไหวอยู่โดยมีแผงผิวหนังปกคลุมข้างนอกบังตาไว้จากสิ่งอุ จ, จาดหน้าคลื่นเหียนภายในฉันคุณภาวะเดินจงกรมรู้อสุภะเหมือนเคยทำมาก่อนเมื่อไม่นานมานี้เพียงแต่ลืมไปชั่วคราว พอจิตเข้าไปคลุกเคล้าเป็นอันเดียวกับความคุ้นนั้นก็เกิดความรู้สึกเหมือนจีวรพระเก่าคร่ำคร่าห่มคลุมแทนชุดเสื้อกางเกงไม่ถึงกับตกใจแต่ก็ทำให้รู้สึกแปลกๆเกลือนสติตนเองว่าจิตกำลังเข้มข้นเมื่อเกิดสัญญาใดปรากฏขึ้นในขณะนี้สัญญายอมเข้มข้นและแนวนานเป็นทวีคูณไปด้วย ฉันไม่เหลือบลงต่ำเพื่อดูด้วยประสาท ต, ตาว่ามีจีวรพระปรากฏแทนเสื้อกางเกงจริงหรือไม่แค่ทำไม่รู้ไม่ชี้คิดว่าสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นเพียงพยับแดดที่เหมือนมีแต่ไม่เคยมีตัวตนอย่างแท้จริงขณะเดียวกันก็ไม่เร่งรัดให้สัญญานั้นสาบสูญแค่รู้แค่ดูเฉยๆอยู่ในอาการเดินจงกรมเช่นนั้น เมื่อความรู้สึกเกี่ยวกับความเป็นพระปรากฏชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งการเดินและสิ่งแวดล้อมก็เหมือนหายหนไปชั่วขณะบังเกิดนนมิติชัดว่ารอบด้านเป็นราวป่าฉันกำลังอยู่ในอัตภาพซอมซ่อแบบพระทุ ด, ดงเดนตายสแสวงหาพระนิพพานอยู่ในป่าเขาแบบไม่ห่วงชีวิตนี่กระมังการระลึกชาติแบบฟุ๊กฟุกคือเคยทากรรมฐานอย่างใดมามากในช่วงชีวิตก่อน พอมาทำกรรมฐานนั้นอีกก็ได้จิตแบบเดิมที่พอดีกันเรียกสัญญาเก่ากลับคืนมาชั่วคราวชั่วขณะที่จิตตั้งมั่นในกรรมฐานอันเคยคุนนั้นๆกระพริบตาปริบๆภาพราวป่าเลือนหายไปกลับมาเป็นอัตภาพหนุ่มเมืองในเสื้อกางเกงคนเดิมถอนใจยาวเหลือบมองสภาพปัจจุบันนี่ก็แค่อีกอัตภาพหนึ่ง นั่นก็แค่อีกอัตภาพหนึ่งฉันยังไม่นิ่งนานขนาดระลึกได้ถูกว่าตัวเดิมชื่อเสียงเรียงนามใดเกิดในสมัยไหนหรือกระทั่งเป็นเพียงนิมิตรอุปาทานไร้แก่นสารหรือไม่แต่รู้แจ้งประการหนึ่งคือจิตสำคัญมั่นหมายอย่างไรพบหรือสภาวะแห่งความเป็นเช่นนั้นก็ต้องปรากฏขึ้นเป็นธรรมดาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะไปปฏิสนธิในภพภูมิที่มีความเป็นเช่นนั้นหรืออาจจะปรากฏนิมิตขึ้นในมโนท ว, วารรอให้จิตสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตนตนเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อพิจารณาอยู่เช่นนั้นจิตก็คลายจากความถือมั่นเดินจงกรมต่อโดยไม่สนใจว่ากายใจนี้เป็นใครชื่อนามสกุลใดเพราะความจริงยิ่งกว่าชื่อเสียงเรืองนาม คือรู ป, ประพันณสันธานกายอันกําลังเคลื่อนไหวเป็นอิริยาบถเดินและในอิริยาบถเดินนี้สุก ป, ปลกตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าข้างในยัธยานอยู่ด้วยตับไตไส้พุงและขี้เยี่ยวหาความสะอาดไม่ได้แม้แต่เท่าปลายก้อยเคยเห็นถุงใส่อึแล้วรู้สึกรังเกียจอย่างไรต้องรู้สึกรังเกียจกายนี้ยิ่งกว่านั้นเพราะไม่ใช่จะมีแค่อุจจาระ ยังคละปนอยู่ด้วยปัสสาวะและน้ำเลือดน้ำหนองเคล้ากันมั่วไปหมดในระดับจิตขณะนั้นไม่ถึงกับเหมือนตาทิพย์แทงทะลุปรุปโปรงแต่ก็รู้สึกชัดว่ามีคือเห็นโครงสันฐานของรูปเดินชัดแล้วก็มีความทรงจำเกี่ยวกับเครื่องในมนุษย์ประกอบอยู่กับสติด้วยประโยชน์ไม่ขึ้นอยู่กับระดับความเห็นที่หยาบหรือละเอียดเพียงใด ประโยชน์ตามเป้าหมายสูงสุดของอสุภกรรมฐานคือทำให้เลิกตรึกนึกทางกามธรรมชาติมีอยู่อย่างนั้นขึ้นอยู่กับจะตั้งจิตให้เกิดมุมมองเห็นอย่างไรและเห็นอะไรแล้วเกิดสิ่งใดตามมาแน่นอนจะไม่มีใครว่าหากเราตั้งจิตไว้เห็นแต่ผิวพันธ์อันเรียบลื่นดูประเสริฐกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆในโลกแต่เห็นตามอัตโนมัติเช่นนั้นแล้ว ย่อมเกิดราคะเป็นธรรมดาตรึกนึกถึงการเสพการเป็นธรรมดาต่อเมื่อเห็นตามจริงโดยความเป็นอสุภะความฝ่อตัวทางราคะย่อมปรากฏขึ้นแทนช่วงสามวันนี้ฉันตั้งหน้าตั้งตาดูกายอย่างเดียวเห็นหน่อเหม็นแนวเหม็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไม่เคยเป็นมาก่อนการปฏิบัติธรรมภาวนาเต็มอัตราก็เช่นนี้เองยิ่งเวลาผ่านไป ยิ่งเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมากขึ้นเพื่อความลดลงของกิเลสตันหามานะจนกว่าจะหมดสิ้นเด็ดขาดนั่นแหละถึงไม่ต้องเพียรพยายามใดๆอีกพอเพียรกำหนดกายจนเกิดอสุภะสัญญาติดจิตเกือบตลอดฉันจึงพบว่าการไม่มีรั้วป้องกันปล่อยให้ราคะรดรั่วได้ไม่ใช่ทางดำเนินอันเป็นไปในสติปัฏฐานพอเกิดอสุภสัญญาเต็มขนาดแล้ว จึงเห็นว่าที่ผ่านมาฉันมีช่องโหว่ใหญ่ๆอันใดอยู่แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะนึกว่าช่างเถอะมีบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแค่รักษาศีลห้าก็น่าจะพอกับทั้งทึกทักแบบเข้าข้างตัวเองอยู่ลึกๆว่าแม้แต่โสดาบันบุคคลก็ยังมีราคะได้มีสามีภรรยาได้มีบุตรทิดาได้การปฏิบัติเพื่อมรักผลชั้นต้นก็คงปล่อยให้กามยอมกายยอมจิตได้บ้าง ถ้าไม่หมกมุ่นมากก็คงไม่ถึงกับขวางทางแนวคิดทํานองนี้อาจเป็นที่ถกเถียงกันไม่รู้จบปุตุชนมักเข้าข้างความเชื่อของตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์พิสูจน์แต่ถ้ามองให้ชัดว่าพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ต่างๆของมักแท้แท้ไว้อย่างไรก็คงไม่ต้องเถียงกันหากขาดดําริออกจากการเป็นระยะเวลานา น, านเพียงพออย่างไรความตรึกนึกทางการก็ต้องหวนกลับมาวันอย่างค่ํา และอาจบ่อยอย่างนึกไม่ถึงเพราะเคยชินกับการขาดสติไม่รู้ตัวแนววิธีการรักษาโรคทางใจของพระพุทธเจ้าจะเหมือนแพทย์หัวก้าวหน้าในปัจจุบันที่แนะนำให้ประชาชนป้องกันตัวก่อนที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ต้องตามแก้กันทีหลังอสุพสัญญาเป็นภูมิคุ้มกันความสวยและความมีสัสดส่วนเย้ายวนตาของรูปหญิงได้จริง บางขณะเมื่อจิตหนักแน่นทรงกำลังแล้วทอดตามองเห็นสาวๆฉันจะเห็นเกินประสาท ต, ตาเนื้ออนุญาตให้เห็นเพราะอำนาจอสุภะสัญญาแรงๆที่อยู่ในสมาธิจิตครอบงำการเห็นทางตาด้วยนิมิต ท, ทาบซ้อนซึ่งความปรากฏของนิมิตจะมีได้หลากหลายเห็นตัวเองถึงระดับไหนก็จะเห็นคนอื่นโดยความเป็นอย่างนั้นเช่นแทนการเห็นผิวหนังขาวสวย ก็กลายเป็นผิวหนังที่เห่ขึ้นเป็นผื่นเป็นปื้นคราบใคร่เหมือนคนไม่ได้อาบน้ำความรู้สึกในจิตขณะเห็นคือทุกจุดหมักหมมด้วยเชื้อโรคเรื่องนี้มิซซ้อนเห็นเราเป็นปฏิกูลอย่างไรเห็นคนอื่นเป็นปฏิกูลอย่างนั้นจัดเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปฐานสูตรแต่ปัจจุบันเป็นที่วิภาษวิจารกันกว้างขวางว่าเป็นความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงเหมือนภาพหลอน ตอนนี้ก็ต้องย้อนกลับไปที่จุดใหญ่ใจความคือเราต้องการเห็นความจริงแบบไหนถ้าความจริงทางตาก็คือมนุษย์ถูกห่อหุ้มด้วยผิวหนังเรียบลื่นทำความสะอาดกันเช้าเย็นให้ดูดีเรียบร้อยแต่ถ้าจะเอาความจริงในกายก็ต้องว่ามันแออัดยัตนานด้วยสิ่งโสโครกหมักหมมกว่าท่อส้วมท่อขยะที่อุดตันทุกชนิดและน่าสนใจว่าการส่องเข้าไปเห็นความจริงชนิดนั้นด้วยจิต ผลคือจะทำให้ลดภาวะทยานอยากของใจอันนำไปสู่ความจริงที่อริยะเจ้าสนใจคือรู้เห็นอริยรสัจสี่ในที่สุดสรุปง่ายๆแต่ก่อนถ้าใครมาบอกให้ละกามฉันคงบอกว่าเรื่องอะไรละ่ะแต่ตอนเนี้ยตอบตัวเองได้เลยว่าเรื่องอะไรก็เรื่องเตรียมจิตให้พร้อมถึงมรรคถึงผลนะสิ สัมมาสังกัปปะยังมีเรื่องของความดำ m ริละพยาบาทและความดำ m ริละการเบียดเบียนจองเวรคือทำจิตให้เป็นผู้ไร้พิษภัยต่อคนและสัตว์ซึ่งฉันก็หมั่นแผ่เมตตาเสมอเสมอตั้งแต่เดือนที่สองพอถึงวันนี้ความดำ m ริทั้งในทางพยาบาทและเบียดเบียนจึงเหมือนสูญสลายหายหนุนแทบไม่เหลือซากอยู่เลยจึงให้คะแนนตัวเองว่าผ่านสาหรับแง่นี้